นั่งขัดสมาธินั่งโกูเลย่าขวาทับขาซ้ า, ายขาขวาทับขาซ้ า, ายทั้งกายให้ตรงอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาอย่าก้มขึ้นไปเงยเกินไ ป, นไปอยู่ในท่าปกติพอดีพอดีอดห้ใจเข้าออกสะดวกสบาย ต ร, ตรงๆดำรงจิตให้มันอาณาปานสติเมื่อบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจียตุญปัญญามหุหยุดคนจากขันอาสินอาสาวกกเลสในทิศ ธ, ธรรมนี้ อย่างน้อยก็ได้ป็นพระอนาคามี้ถ้าใครทำใครไม่ทำก็คือ<ช>หายใจชิงใช่เฉยๆก็เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทหายใจต้องมีสติคุมจิตให้รู้อยู่กำลมอยู่นั่นจงเรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในความประมาทผู้ประมาทก็คือผู้ตายแล้ว ตายจากความงามความดีตายจากศีลสมาธิปัญญาตายจากมรรคผลนิพพานไม่มีโอกาสจะเห็นมรรคผลกับเขาแล้เ่เลยมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่ได้มีสติสตั้ง นั่งหายใจทิ้งอยู่เฉยๆไม่มีประโยชน์พระพุทธอง์จังแตะเอาไว้คนใดกำหนดสติพิจารณาดูลงเข่าลงอกทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่ ง, งนอนมีสติลูกลงเึ้นเราอยู่เรียกว่าไม่ประมาท เข้ใจนะเราประมาณไหมล่ะที่นะมีอะไรอยู่ในลมหายใจในลมก็มีจิตมีผู้รู้จิตก็คือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจหรือียวว่าลืมวิญญาณวิญญาณแล้วแม่ใจนี่แหลคือวินตัวใจของเราคือตัวรู้นีหละคือยันใช่ไหมวิญญาณวิญญาณ วิญญาณคือความรู้วิญญาณอันบริสุทธิาก็คือจิตจิตตาวิญญาณวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสรือไม่มีสิ่งอิงแออาศัยอยู่รูไปรูมาเดี๋ยวนี้บินลมยานคือตัวรู้มันอาศัยอยู่ด้วยกันลมหาใจมันจะห่อหุ้มเอา ตัวยานตัวรู้นั้นไว้ลมหายใจจึงเป็นกายแปลว่ากายในใจของเราจึงคือน้ํากายในเรียกว่าลูกลมหายใจก็คือลูกละเอียดตัวใจก็คือน้าลูกกับนา้าพอทอดใจเป็นลูกกับน้ำอิ่มอาศัยกันอยู่ พูดทั้งูกก็ถูกนาพูดทั้นามก็ถูกลูกเพราะสองอันนี้อาศัยซึ่งกันและกันอยู่ลูกกับนามนี่พระพุทธองค์เรียกว่าขันห้าขันอย่างละเอียดพอนึ่ออกไห้ขันหยาลยดลเราเห็นแต่ขันหยาดนี่นะขันห้า มันเกิดกับดับห้องกันอยู่อย่างนี้เวลาลมหายใจเข้าไปก็เกิดขันห้าเกิดเวลาลมหายใจออกมาก็เรียกว่าตายเรียกว่าขันห้าตายขันห้ายเขาสมมติเรียกว่าเราเวลาหายใจเข้าก็เรียกว่าเราเกิด เวลาหา้ใจออกก็เรียกว่าเราตายลมหายใจมันจะค้นปลายจมูกไปชั่วขนาดหนึ่งมันจะทิ้งซากศพเอาไว้ซากศพคือกายของเเอาไว้ชั่วขนาดหนึ่งเรียกว่าเราตายตายชั่วขนาดหนึ่งนะพอเนื้ อ, อกว่าไหมหลัเออท่านเรียกว่า ข น, นิกะมระนั้นเห็นตัวเองตายมครข น, น, นิกะมระนั้นเห็นเกิดเท้นตายตายชั่วขณะเดียวท่านเรียกว่าข น, นิกะมระนั้อันนี้ตายแบบปกปิดไม่ใช่ตายเปิดเผยปฏิชนะ ทันว่นาพระองค์ตรัสว่าปฏิชนะตายแบบปกติเราจึงตั้งอยู่ในความประมาทคิดว่าเราจะไม่ตายเราเกิดเราตายอยู่อย่างนี้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้นี่แหลปัจจุบันนั้นทให้เห็นปัจจุบันนั้นทำอยู่ปัจจุบันนั้นทำก็หมายเอาขั้นห้าเกิดดับ อัห้าเกิดดับไมาเอาวิญญาณวิญญาณวิ่งคือลมญาณคือตัวรู้มันวิ่งเข้าไปในกายอยากคนเรียกว่าเราเกิดเห็นกายในกายเห็นว่าเราเกิดขึ้นมันวิ่งออกมากว่าเห็นว่าเราตายมันมาปล่อยธาตี ขันห้าไว้ชั่วขนาดหนึ่งทิ้งไว้ขนาดหนึ่งก็เรียกว่าตายชั่วขนาดเราเกิดราตายอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเกิดขันห้าเนี่ยเกิดขันห้าตั้งอยู่ขันห้าดับไปมีแต่ทุกเกิดมีแต่ทุกตั้งอยู่ไม่แต่ทุกดับไปอยู่อย่างนี้ ตลอวันตลอดคือแม่นอนหลักมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตืนขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้ให้เราเห็นยกขึ้นใส่ไตลับยานมื่อจากไตลับยานไหมไตแปลว่าสามติเตไตแปลว่าสามลักษณะสามอย่างยานจะบนรลุ ให้เกิดสติปัญญาลุ้นเห็นตามความเป็นจริงคืออานิจังขันหา่านขันหา่านหรือลมหายใจหรือวิญญาณมันเข้าแล้วก็ออกมันเกิดแล้วก็ดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับ สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมล่ะที่นีฮะเห็นไหมสิ่งใดเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดมันดับนี่ใจเรสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ะสุขหรือทุกข์ล่ะที่เนี่ฮะนี่พี่ยายนุ่งอย่างนี้ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นเราหรือไม่ใช่เราฮะให้มองเห็นยกใส่ขึ่นใส่ใจรักา่าตว่าอ น, นิี้จังอ น, นิี้จังเาเข้ามาเข้ามายกใส่ใจรักญา ให้ก็แว่าสามลักษณะสามอย่างอยาไปไป่างแปลว่ารู้ให้เราเกิดความรู้เกิดสติปัญญาเห็นลักษณะสามอย่างเห็นมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดมันดับมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่มันเป็นนิจจังหรืออนิจจังนี่เราก็จะเห็นอนิจจัง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราก็จะเห็นทุกข์ังสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครมันเป็นอนัตตาจับไม่ได้สัมผัสไม่ได้สั่งไม่ได้ ว่าย่าเข้ายาออกมันเข้าเองออกเองมันเกิดเองตายเองอยู่อย่างนี้ยกขึ้นใส่ใจรับยาจังทาให้เราเบื่อหน่ายขัน 5, ห้าหรือเบื่อหน่ายไลงให้ใจมันเข้ามันออกมันเกิดมันดับอย่างนี้ ถ้ามันไม่เข้าไม่ออกเราจะทำยังไงนะเราจะทำยังไงเรามีสาร ะ, ะที่เพื่องหรื อ, อยังเราจะเพื่องใครเพื่องสามีเขาบ็หาขขนดอกไม้มาขาดกัน <c oughs> ไปเนอเด้อแม่เดอ้ออย่ามากุกคกกักินกิจุ อายบ้านอายผู้อายคนเขาไปดีสมสุขซาเขาก็บอก่อ็ไปแล้วพอ่อเลอไปตามขึ้นสวรรค์ซาาก็ว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้เนะตอนใจาขาดตอนลมหนใจไม่เข้าไม่ออกเขาเรียกว่าอาัยกรรมกรรมครั้งสุดท้ายเรียกว่ากรรมนิม้นิด กรรมแปว่าการกระทำามวมีแปลว่าคิดกิดเราทำงานเยก่ากรรมมันคิดมันคิดไปถึงอะไระอารมณ์ของเรานะคิดไปถึงเรื่องไหนเรื่องกุศลหรืออกุศลตอนนีนะ้เป็นเครื่องตัดสินกันครั้งสุดท้ายอสนญกรรม กรรครั้ ง, งสุดท้ายกรรมนิมิตคิดไปถึงอะไรความคิดนั่นแหละคือพบของจิตจิตจะไปตั้งอยู่ในพบเปรียบเสมือเนเมื่อนาวิญญาณเปรียบเสมือนเมล็ดพืชจิตของเรานะี่คือมเมล็ดพืชมันหล่นไปถูกนานที่ไหนไห น, หนาอะไรนะความคิดอารมณ์นั่นคือพบของจิตนั่นแนหะ ไม่ใช่ว่าทําบุญหลายๆแมันจะได้ไปสวรรค์นิพพานก็หาไม่ถ้าเราไม่ฝึกกิจไม่รู้จักวิธีตายไม่ฉลาดในการตายมันก็ทําบาปทําบุญปนบกปนกันอยู่นี่และอุศล์อาุศลเวลาจิตจะขาดใจจะขา ด, ขาดมันจะคิดไป ถึงอกุศลก็แย่เท่นี้ค <c ười> ิดไปถึงไปกินเลียงกินเหล้าเมาสุราสนุกเฮ้าอยู่กับกันชายหนุ่มยิิงสาวในผ่มโดนตีมาหัวีตกไปอบายาภูมิคิดถึง เรามานั่งภาวนาสถานที่ปฏิบัติธรรมคิดเห็นเรามาทำอันนั้นอันนี้จิตก็จะผ่องใสก็จะเป็นบุญเป็นกุศลจิตก็ขึ้นไปมนุษย์สมบัติสวรันสมบัติ้าคิดเห็นอารมณ์สุญญาา ว่างสว่างสวัยข่องใสเข้าใจาว่าครูบาอาจารย์บอกนี่คืออารมณ์พนนนันพันวิญญาณอันบริสุทธิ์พุทธองเป็นพุทโธอยนี้เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ท่านบาเพ น, นิพันเรา็อจิตลงมาอยู่ในความว่างสว่างสวัย ลงให้ใจดับลงจิตของเราพี่แหล ะ, ะกรรมขั้งสุดท้ายเราก็ไปอุบัติขึ้นในโลกุตระเหนือโลกขึ้นสามนี่ขึ้นไปเนี่ยมาพระ น, นิพพานอย่างน้อยก็ให้เห็นพุโทโธพุธโทโธพุทพุโทโธพุธโทพธโธไว้ นี่แหละามาพอนะอย่างน้อยฟังให้เห็นลมหาใจเขาออ้าเอามันปวดมันเจ็บมันจะตายตอนลมเข้าหรือลมออกลูลูอยู่นั่นอ่านี่แหละก ร, รมลีมิตจิตจะคิดมาดูอยู่กับลมหายใจตัวลมหายใจมันจะมีตัวผู้งลู่ตัวพทโถออยู่นันอ่าแตกกันดอก ลงขาดตัว น, นั้นก็ไปจุดตีบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างน้อยก็สวรรค์ชั้นดาวดิง้งนี่เขาเรียกว่าฉลาดฉลาดมันเก็บมันค่ยอย่าคิดไปถึงเรื่องเก่าเรื่องล้วเรื่องไปทำบาปเอาไว้ให้คิดดู ให้จิตมาเสีบอยู่อารมณ์เดียวคือเสีบอยู่กับผู้รู้เสีบกับน้ปาป่าบนดินเสีบกับลมให้ใจเสีบกับพุโทโธอืมหรือทากิตให้ว่างให้ว่างเป็นพุโทโธูุ้ตสาดแล้วเขาจะทําอย่างนี้สลาดในการตายเรียว่ากุศลาให้เจ้าของ สร้างบุญสร้างบุศลฝึกกุศลาไม่ใช่เพรานิมนต์พระไปกุศ ล, ลาเนี่ยคนตายกุศลาแปลว่าสร้างบุญสร้างบุศลเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยภาวนานั่งอยู่เนี่ยอแปลว่ากุศลา ตายแล้วจะกุศลาได้ไหมล่ะนิมนต์พระจะรู้เรื่องไหมคนบางคนไม่เคยรู้จักว่ากุศลาคืออะไรอาคุศลาคืออะไรกุศลาก็คือบุญคือศนคือกศลเกิดจากการให้ทานรักษาศิ่งภาวนาอาคุศลาคือบากุศล คือขาสัตว์ลักทรัพย์กพิธีการมพูด ป, ดปดทพระเทศคินเหล่ามอสุลาเพ้าใจน ะ, ะเตรียมตัวก่อนใจขาดก่อนตายเห็นเราเกิดแล้วตายั้มล่ะทีนี้เห็นเกิดเห็นดับไหมลให้ใจเข้าก็เรียกว่าเกิดวิญญาณหรือขันห้า วิ่งเข้าไปในกายวิย่างวิ่งออกมาพร้อมกับลมห้ใจมาพ้นไปจมูกมันก็ทิ้งซากศพล่างกายเราเอาไว้แลว้วก็ตายนี่เข็มเกิดชอก็าตายปายจมูกมันลมสุดลมสุดมันจะไปทิ้งฉันห้า ขันยาทิ้งร่างกายเราเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าขานิกะมอละนังจำได้ไหมนะตายชั่วขณ ะ, ะหนึ่งขานิกะมอละนังแล้วกอเข้าไปอีก เ, ออเกิดตายเกิดตายวันหนึ่งเราเกิดเราตายอีกครั้งฮะเห็นไหม ถ้าใครไม่เห็นก็เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาณถ้าใครเห็นเกิดเห็นตายอยู่นี่ก็จะรีบทำมาหากินรีบขุดซลาให้เจ้าของเอข้าใจนะยกขึ้นใส่ไตรักยานให้เห็นขันหา้าเป็นอนิจจัง ทุกครั้งอนัตตามันเกิดแล้วก็ดับก็ยิ่งมันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับ ม, มันจึงเป็นทุกทุกครั้งมันทุกเพราะไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครจึงเรียกว่าอนัตตามไม่อยู่ใต้อำนาจของผู้ใด มันเกิดดับของมันเองอย่างนี้เกิดตายอย่างนี้ให้เราพิลานาดูให้เห็นตามความเป็นจริงแลก็ยบใส่อดีตอารมณ์ในสาการอารมณ์ในสาการคืออะไรรู้จักไหมสาการคืออดีต อนาคตปัจจุบันขันห้าในอดีตมีไหมลูกในอดีตมีไหมลมเนี่ยลมให้ใจเขาเรียกว่าลูกภายในเรียกว่ากายในลูกในอดีตมีไหมหายใจออกไปแล้วฮะให้พีรนาดูอย่างนี้ลูกในอนาคตลมให้ใจยังไม่เข้ามามีไหม เมื่อลองให้ใจเข้ามาแล้วมันมีไหมลูกอ่ะนี่ยกใสอารมณ์ในสามการยังจินจิลูปังอาติตาอาติตาหมายถึงลูกในอดีตหมายถึงกายลมหมายถึงลมหาใจนะอาติตาคืออดีตยังจินจิลูปังลูปังก็คือลูก ยังจริงๆรูปังอาติตานาคตะคืออนาคตปัจจุบันนังคือปัจจุบันมีไหมล่ะทีนี่ฮะลูกในอดีตมีไหมเห็นไหมลูกในอนาคตมีไหมลมหายใจในอนาคตยังไม่มาถึงเป็นอากาศอยู่ มันออกไปแล้วก็เป็นอากาศอยู่ปัจจุบันมีไหมไม่มีมีเป็นแต่อากาศให้เห็นอย่างนี้เราจึงดับอารมณ์ในสางการดับเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงอนัตตาจึงจะเบื่อไหนคลายความยินดี ในขันห้าคือกายกับใจลูกกับนามลูกก็คือลมหายใจใจก็คือนามคือตัวรู้อยู่ในลมนี้เขาเรียกว่าขันห้าขันอย่างละเอียดพอนึกออกนะนี่เล่ายิงจะลูกขันห้า เห็นขั้นห้าเกิดกับดับฟ้องหรือเห็นความตาย อ, อได้ไปอ่านเจอหนังสืออันนึงพระพุทธเจ้ตัดกับพระอนุนอ น, น์เธอเห็นความเกิดความตายของเธอวันละกี่ครั้งพระอนุนนวตอบหลายครั้งอยู่พระโยค่า นี่อโนอนเธอเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทแล้วเนี่ยต้องเห็นทุกลมหายใจเข้าออกสิอโนอ น, น, นนะะจึงจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเดี๋ยวนี่เราร่นานทั้งหลา ย, <c oughs> ยขเขมามากับไล่รุไม่รู้ว่าอยคอเกิดไม่รู้จยคองตายนั่งหายใจพิงอยู่เฉยเฉย น่าสงสารไม่เคยพิยานาดูไม่รู้จะเกิดจากใดเลยถ้าเราเห็นเกิดถึงตายอย่างนี้เราต้องรีบภาวนารีบสร้างกุศลกุศลาให้จบพร้อมไม่กล้าไปทำบาปอกุศลแลี่นี้รีบจัดการ ถ้ามันตายลมไม่เข้ามันออกตายจริงๆตายแบบเปิดเผยเรายังไม่มีสาระเป็นโม่ะบุรุษโมฆะสติอยู่ต้องรีบค้นขวนะ้าหาจับอารมณ์ใใจน่ะไม่ ใ, ในะประมาณแล้วที่รีบฝึกสติ คุมจิตมาให้รู้อยู่กับลมให้ใจเข้าออกทุกการทุกเวลาไม่เรียกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่ง น, นอนมีสติรู้ลมเห็นเราอยู่อย่างนี้ไม่ตั้งในความประมาทอะรทีนี้คุมจิตมารู้อยู่ที่ฐานมารู้ที่ลมเบื้องหลังของลมนั้น มันจะมีตัวยานลมเรียกว่าวินจิตของเราเรียกว่ายานใจของเราเรียกว่ายานเบื้องหลังของลมมันก็จะมียานวิญญาณมันอิงอาศัยกันอยู่เราจะเห็นตัวผู้รู้รู้รู้เมื่อลมระงับดับลงลมจางคลายหายไป เรียกว่ากายแล้วนับเนะี่ยกายลงดำลมตัววิญญาณก็าปรากฏขึ้นตัวนี้แหละวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดไปแอบอิงแอบอาศัยอยู่รู้รููู้้เป็นความรู้รู้บริสุทธิ์ขุดผ่องแล้วก็เรียกว่าพุทธโทธทนะ่านเองอ่า เป็นความว่างสว่างสวัยเป็นศูญญตาเป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าธรมโมท่านผู้รู้ว่าว่างผู้รู้ว่าสงบรู้ว่าลมหายใจไม่มีก็คือเราก็คือสังโฆนี่นะที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทใช่ไนะหยฮะแต่เรียกว่าเราเห็นพุทธทรรมสงภายในเห็นสาระที่เบื้งไหา ทำแจกภัย ไ, ได้จริงทีนี้ยหนามันจะตายก็ตายเหอะทีเนี้ย เ, เราไม่แช่โมฆาบุรุษโมฆะสตรีแล้วเอเราได้สรณะที่พึ่งแล้วตายบ้างมันตายเลยเมื่อธาตุจะแตกขันจะดับเราก็เอาจิตไปอยู่กับพุทธโธธัรมโมทังโหนี่แหละอะไรไม่อลไรทีเนี้ยถ้ายังไม่เห็นตั้งอยู่ในความประมาณอยู่นะ ตายแล้วมันมีสารณะเราก็ไม่พึ่งไม่ได้นะพึ่งผัวพึ่งเมียพึ่งลูกพึ่งทรัพย์สมบัติพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งไม่ได้นะใจขายแล้วเขาก็เอาไปเขาไปพึ่งเท่านั้นจะได้พึ่งใครอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยตนเป็นที่พึ่งของตนตนก็คือใจนี่ยใจก็คือเรานี่ะ ทำใจให้เป็นที่ขึ้นทำใจให้เป็นพุทธโทรธรรมโมสัง้งโอจริงจะเรียกว่าไม่จั้งอยู่ในความประมาณเข้าใจบ้างไหมละ่ะวิธีทวก็อาณาปานสตนิเอาสติมาจับเอาลมหายใจเข้าออกเข้าออกเกิดดั บ, ด บ, ดบเกิดดับเกิดตายเกิดตา้ เอาแววมาลมให้ใจจางคายให้ไปก็เหลือตั้งแต่ตัวยานเกิดขึ้นวินละงับดับลงยานก็ปากปวดขึ้นตัวรู้ก็เด่นขึ้นรู้รู้รู้เฉยห น, นไม่เอาอะไรรู้เฉยเฉยนี่แหละวิญญาณอันไม่มีที่อิงแอบอ า, าศัยเป็นความรู้อันบริสุทธ์ผุดพ่อง ท่านจึงเรียกว่าพุทธโธเนี่ยนี่นี่เห็นหรือยังตั้งในความประมานนะถ้ายังไม่เห็นตนายแล้วเราจะพึ่งใครทำจิตนี่นี่แหละที่พึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งตนทำจิตทำใจนี่แหละให้เป็นพุทธโธ พโมทังโคเมื่อใจจาขาดก็ไปขึ้นนี่อ่าภยะภยะแปลว่าภัยภัยแปลว่าความกลัวกลัวอะไรก็ไม่เท่ากลัวตายมอลาหน้าภัยภัยมันมีหลายอย่างกรทกกับภัยวาตภัยอัดขีภัย โจยละภัยพอป้องกันได้ตรงนี้ส่วนมรละนาภัยกันได้ไหมฮะกันไม่ได้นอกจากจากหาที่พึ่งเท่านั้นต้องทาจิตเจ้าของให้เป็นพุทธทำสมภายในเกิดขึ้นเห็นสนาระที่พึ่งเมื่อมันจะตายก็เอาจิตไปพึ่งกับนั่น อย่างน้อยก็ไปจุดตีบนสวรรค์หรือถ้าเราปล่อยวางลูกน้มทันห้าได้จริงๆก็ไปพระนิพพานเลยเสียงพระนิพพานไปพระนิพพานใจขานแล้วก็ไปพระนิพพานเลยอ่านี่แหละเที่บพึ่งอื่นไม่มีหรอกทรัพย์สมบัติก็ขึ้งไม่ได้ บ้านช่องห้องหอก็เครื่องอไม่ได้มีเงินอยู่ในธนาคารก็เอาไปไม่ได้มีแต่แบมืออย่างเดียวนะอ่านี่แหละจึงจะไม่เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทอืมวั น, นวันนี้ก็พูดเรื่องอาณาปานสติสมาธิคนใดจเจริญแล้วทำให้มากแนมะ้ ย่อมได้เจตัววิมุตต์เจตัววิมุตต์คือจิตหลุดพ้นจากขันหา้าจิตออกจากขันหา้าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นจิตออกจากขันหา้ามาเป็นเอกเทศนิ่งเดียวอยู่เรียก ว, ว่าเอกขัดข้าตานลมอุเบคาเอกขัดข้าตานลมมาตั้งอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละรู้รู้รูเฉยนี่อุเบคา เอกขัดดาลมคือรู้รู้รู้อยู่เบกยดขาก็าแปลว่าเฉยไอไม่ยินดีไม่ยินลายอ่าท่านเรียกวิวคขำพนาวิมุตติวิคขำพนาแปลว่าสะกดชานสะกดขันห่าเอาไว้สมาธิข่มขันห่าเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าตอนข้อสมาธิ อุปรกรณ์เครื่องใช้ของเราคือขันห้าถูกฌานถูกสมาธิขมเอาไว้มันไม่ทำงานกิตของเราออกนี้จากถ้าจากขันมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวรู้ใช้รู้ใช้ก็เรียกว่าเอกข้าตาล ม, มนี่แหละเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติรุท้นจากขันห้าจ า, าระขันห้าได้ฉละคขันห้าได้ ทานคั้งห้าได้เขาเรียกว่าทานร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าจิตสมุกครั้งเดียวทานก็ยังมากก็ได้อันนี้สมไปสวรรค์มนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติจิต ส, สมบุกครั้งเดียวอาได้พรสมบัตินิพานสมบัติเห็นพร ม, มาโลกนะ จิตสมบข้างเดียวเห็นธรรมชาติธรรมชาติเห็นอารมณ์พานนั้นเงินล้านเงินแสนก็ซื้อไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ซื้อไม่ได้ซื้ออารมณ์นี้อารมณ์นี้เป็นของสูขของส บ, บายไม่มีอะไรมาเจือคนกีดวัลยสุขผอมเป็นธรรมชาติ ไม่มาขอเกี่ยวหรืออะไรไม่มาอิงเอียดอยู่ในฐานหา้าไม่มาอิงเอียดอยู่ในลมหายใจกิตจะออกไปเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เป็นธรรมชาติอยู่ท่านเรียกว่เกโตมิมุตพอใจนะทนะ่านนี้นะมีอารมณ์สองรู้เสยรู้เฉ ย, เฉยถ้าใจอยากผ่าน มาทำจิตมาลงฝึกจิตอยู่ให้มาลงไป็นอั น, นี้กำหนดสติพัลงหายายไม่มีเหลือดังแต่ความรู้เฉยรู้เฉยเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับอันนี้แล้วก็ขึ้นเข้าสู่ร่างยุความตอนใจขาดได้เรียกว่าตนมันแหละเป็นที่พึ่งของตนเขยไม่แหละยังะงะ อย่างมันเข้าสมาที่พักผ่ออยู่ได้อปปนาชาติอปปนาสมาธิหรือกิดลงถึอพะวังใหญ่ลงถึงฐานใหญ่พวังมันมีอยู่สาอย่างพะวังเจรณะ พ, ว, พ, ว, ณะะพวังคู่ปะคู่กับคณิการสมาธิพะวังเจรณะคู่กับอุปจาระสมาธิเัาพวังคู่ปะเชธาพะวังใหญ่ กับอปปนาชานอปปนาสมาธิไอชำนาญแล้วกำหนดสติพั๊มันก็ลงถึงฐานนั่นเไม่ได้ออกถ้าออกทางลืมตาอยู่เดินอยู่ก็ไปได้นะไม่ต้องมานั่งสมาี่ก็เป็นได้ทําไปทํามามันเป็นอัตโนมัติกำหนดปั๊บลงหายกายไม่มีก็เหลือแต่ความรู้รก็เอาจิตเราไปอยู่กับผู้รู้รู้ ทางรัฐยังบอกแล้วเมื่อคืนเบื้องหลังของลมจะมีผู้รู้อยู่ผู้ชนงานแล้ว่าจะจับเอาผู้รู้เลยในนําไปจับอาลมณผู้รู้่าลมเข้าร้อนวมั น, นี้เอาสติไปตั้งไละคิ่ฐานพอเห็นความรู้รู้รู้รู้เฉยก็ได้เรียกว่าเราจิตลงทั้งฐานใหญ่ลงหายกลาย กำหนดดูมือดูไม้เหมือนกันดาษวางทับกันไม่รู้สึกว่ามีมือ ม, มีไม้แข้งขาไม่มีลมหายใจมันมีก็มีแต่ความรู้เสอะอันนี้ถ้าเราทำงานอยู่เดินอยู่ทำอะไรอยู่มันจะลงชั่วผู้ชั่วเท้ามันจะเป็นอุปจารสมาธิ ถ้เรามานั่งอย่างนี้มันถึงจะลงถึงฐานใหญ่นานๆได้ให้พากันเข้าใจนะถ้าลงถึงฐานใหญ่แล้วจิตไม่สั่งงานจิตวางจากขันหา้าแม้บางทีเรามันจะลงมันจะสงบเรานั่งใน่ทันนะพอนั่งปักกลัวมันจะล่มจิตไม่สั่งงานแล้วจิตจะวางออกจากท่าจากขันะระยะระยะที่เราเดินยังคง นั่งลงพอลงถึงแล้วขายยังเหียดอยู่ผู้ไม่กับท่านมันก็นั่งอยู่ท่านั่นแหละออกจากสมาธิเราเห็นเราเกียดขายอยู่มันเดืเอนีน่มันไม่สั่งงานนะมันวางจากกันห้ามันจากพระกันห้าเจโตวิมุตนะเมื่อออกจากสมาธิไปเราก็เอาอารมณ์นี้แหละ ที่เราเห็นอยู่ในสมาธิจิตจะว่างสว่างสวายปองใสเป็นธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้มีอารมณ์สองคือรู้เฉยรู้ ก, กับเฉยอุเบกขาเอกขัดตารมณ์เราเห็นในสมาธิออกจากสมาธิแล้วพอเอาสิ่งที่เราเห็นนี้ นี่และเรียกว่ายถาภูตายานทัศน์ดูเห็นตามความเป็นจิเมื่อกิตสมบแล้วร่างกายเข า, าไม่มีลมหายใจเขไม่มีลูกนามขั้นท้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีมีแบร์เอโกธมโมลูกก็เป็นธรรมชาติน้ำก็เป็นธรรมชาติลาบเหมือนหน้ากอมชัยเป็นอันเดียวกันหมดในโลกเนี่ย เป็นธรรมชาติเมือนกันหมดต้นไม้ภูเขาเรา ก, สกส า, าสัว์สวาสิงไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลที่เราหลงว่ามันมีอยู่นั่นก็ไม่มีนี่แหละยะถาภูตยายันทัศน์นะดูเห็นตามความจริเมื่อออกจากสมาธิจิต ก, ก็หลุดพ้นปัญญามีมุดหลุดพ้นยากขนาันหน้าเมื่อตายเป็นลูก เราก็ไม่ยินดีไม่ยินรายเพราะไม่มีคนเห็นทำให้สัตว์ยิงอาเซกันเกิดเห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็นเท่านั้นแต่ยินก็สัตว์แต่ว่าได้ยินสราบก็สัตว์แต่ว่าทราบรู้สัตว์แต่ว่ารู้จิตของเราจะแน่วแน่นิ่งเป็นการไม่ยินดียินรายเรียกว่ามัช่ไหม มัชิมตติปัฏฐานขอปฏิบัติให้ถึงความเป็นกางเราก็ดับขั้นห้าได้ดูว่าขั้นหามันทางานถ้าขันอิอาศัยกันเกิดกรูปกับนามอีอาศัยกันเกิดเราออกมาแล้วเราดูในอารมณ์อุเบกขาเอกข้าตาลงได้จิตกาวางสว่างไส เหตเพียงเท่านี้หละคือภายใัฐานถ้ามันไม่เห็นอยู่ออกมาก็ต้องมาทอขันหา่านวิอญาตรงไหนละ่ะเขาว่าเป็นคนกายหรือเป็นคนบอกแล้ว ม, มาเอนกายก็ไม่มีสัตว์บุคลตตัวตนเพียงแต่้าสี่ดินน้ำลนไฟมาประชุมกันเขามาตั้งชื่อสมมติว่ากาย เมื่อมาสมมติว่าไก่ล้วก็จึงมาถึงว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาเย็นไม่มีถอดออกมาหลือออกมาแยกออกมาแล้วจะเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์อุคคลตัวตวนของเขานนะ่น่ะใจของเราก็เหมือนกันใจก็เป็นชื่อของธรรมาชาติได้หนึ่งเ็นั้นเป็นสมมติ เป็นสมมติไทยสมมุติว่าเป็นใจเฉยธรรมชาติที่เราเห็นในสมากทธนะิว่างผ่องใสเป็นธรรมชาติตรงนั้นเขาจึงมาตั้งชื่อให้ธรรมชาตินั้นว่าใจตั้งว่าชื่อว่าใจแล้วก็เป็นลูกเป็นนามเป็นนามเป็นนามธรรมนามก็แปลว่าชื่อชื่อของธรรมชาติอนั้นเป็นใจ ใจคือนามธรรมเข้าใจไหมเป็นชื่อของธรรมชาติที่เราเห็นในสมาธิเอามาตั้งชื่อว่าใจใจจริงๆไม่มีมีแต่สมมุติมีแต่สมมุติตั้งชื่อขึ้นเรียกธรรมชาติอันที่เราเห็นวิญญาณว่าใจใจก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่เลยมันเป็นเพียง สมมติลูกก็เป็นธรรมนามก็เป็นธรรมไม่ใช่ท่านเหมือนตายนลูกจึจไม่มีใครเห็นเห็นสัตว์จะไเห็นหูได้ยินเสียงก็ไม่มีใครได้ยินจิตก็มีหน้าที่รู้ให้อินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการรู้เรียกว่ามนินทรี มโนบวกอินทรีเขาเรียกว่ามัอินรียตามีความเป็นใหญ่ในการเห็นจักโขจับขงทะลินรีย์อินรีมีความเป็นใหญ่หูเป็นใหญ่ในการได้ยินใจเป็นใหญ่ในการรู้รู้ง่ายเฉยมไม่มีหูไปถือเอาสายลูกคนนี่แหละถ้าเรามาภาวนามาสร้าง ทางอุศนอุศลคือความรู้ความฉลาดอันเกิดจากสมาธิปัญญานี่ยนะเรียกว่ากุศลากุศลาคืออุศลดได้แก่ความรู้ความฉลาดลได้แก่สติปัญญาจริงว่าจะพาหนั่งสมาธิกุศลาน่าจะของเขยไม่เอาวันนี้ก็พูดไปพูดมาครับ สมควรแเวลาแล้และสบายไมรเราเอใจบ้างไมเลยอยโยม่อยฮะใจมีจริงไม่ใจฮะฮะโอ้มีแต่คนเจ่งๆเลนข้างหลังก็เจ่งไม่มีไม่มีเลยโยมตุกิดกับใจของเราจริงๆอ่ะไม่ไม่ไมตุกนะ ใจของเรานี่ไม่ได้คิดอย่างนั้น mm hmm. ว่าไร น, น, นยุ่งจากต้นของจิตได้อย่างไงฮะต้นของจิดคืออะไรฮะแม่ไม่รู้อีกแล้วอคือผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้นั่นแหละคือต้นของจิดมันรู้ mm hmm. ร, รู้รู้อยู่นี่เอง<ๆ>เขาเรียกว่าวิญญาณก็วิญญาณก็คือความรู้เนี่ยคือรู้ ก้นของจิส่วนเวทา น, นาสัญญาทั้งขันคืออิริยาอาการของจิตจิตไปรู้อารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณรู้ทำตาของดวงนิ้วกายใจเขาเรียกว่าวิญญาณขันจิตมาสเสวยอารมณ์สวยคืออะไรนะสวยแปลว่าอะไรนะ วิีิตบาลินญาวัวกิดวัวกินทำไมไปเว้ยไปไม่ได้ไกินจ้ะกิมันกินอารมณ์พอพอวิญญาณออกไปน้องออกรับอารมณ์ทางตาทางมุมเดินกายออย่างไรอย่างจิตก็เซเยอารมณ์ก็เรียกว่าเบไานไห ถ้าอารมณ์ดีก็สุขเวทนาเกิดถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ทุกขเวทนาเกิดถ้ากลางๆไม่ยินดีไม่พอใจหรือะไรเ บ, บียดคาเวทนาก็เรียกว่าอริชาทุศัยตานอนถ้าไปสเสวยสุขคเวทนาก็ยินดีพอใจก็เรียกว่าลาขานุสัยตามนอน กา ม, มาสะวะก็ อ, อันเดียวกันเข้าใจไหมนี่แหละกา ม, มาสะวะถ้าไม่ยินดีไม่พอใจกระทกระท่านกันก็เรียกว่าปฏิคานุสใสกา ม, มาสะวะผวาสะวะนี่แหละผวาสะวะง่ายไหมล่ะทีนี้เอาดีๆเลยมาดูผ ว, วาสะวะมันกระทกระท่านกั น, กนเกิดดา่าเกิดว่าไม่ยินดีไม่พอใจ กระทุกเขาไว้ถ้า น, นาเกิดปฏิภานุใสตามนอนหรือเขาวาเข้าใจไหมกามาสวะคือราคานุใสเขาวาสวะคือปฏิภานุสัยอวิชาสวะคือความโง่ความหลงว่าจบความมีอยู่ในนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาวิชาณุใสตามนอนเข้าใจไหมล่ะ ถ้าหลงว่าเรามีเกิดรักเกิดชั่งขึ้นมาได้ถ้ารู้ว่าขันห้ามันไม่มีสรรพคลมันทำงานได้เฉยจะเกิดความโลภไหมนะเอาจะไปพญิพาตจันนินนี่ไหมนะเคยได้ยินไหมอ่าอวิชชา3เนี่ยบุกเคนิวาสสงสติยา จุตูปะปาะะทยาอาสาวัชทย า, ยานเนตอนพระพุทธองค์กิจลงถึงอัปปนาว่าพักอยู่กิจไม่ได้ทำงานพักอยู่กิจออกจากสมาธิใหม่ๆกิจนุ่มนวลผู้ควรเหตยการใช่นนีท่านก็ใช้กิจตอนนี้ กำลังสว่างสวน้องจิตไปดูจิตสัญญาอารมณ์เก่าเคยเกิดมาตั้งแต่ชาติเหมนใครเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่นี่สับเหมือนกับเขาสับท้ายออกพบนั้นพวกนี้ร้อยพบทันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติไม่มีใครมีเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นเป็นแค่น้องไปดูจบไม่เป็น น้องจิตเข้าไปดูสุนญาตาความว่างอันนั้นขิดแท้ เ, เดิมของเรามันจะเก็บเอาสัญญาอารมณ์ไวตั้งแต่อดีตชาติมาก็กได้บุเพนิวาสานุสติญาณ น, น้องไปดูว่าใครไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนทำไมเขาไปเกิดเป็นอนานาลนี้ก็เพราะกรรมของเขาเข้าใจไหม เคยไปข่าสัตว์รักทรัพยมาก็ไปใช้กรรมใช้เวรเคยไปโค่นทู่สู่หญิงอื่นใช่ยอื่นก็ไปใช้กรรมใช่เวรแล้วแยกเห็น ต, ต้องเป็นไปตามผลของกรร ม, มเข้าใจไหมเพราะพระองค์จึงให้เชื่อกรรมเคยไปทําทั่วเอาไว้ก็ไปเกิดใช้กรรมไดไว้ จุดตูปปตาตญาณจิตของเราต้องไปจุติบนที่ชั่วเข้าใจวหมล่ะเกสยรติศอย่าไปนะเอาให้เห็นพุทธธรรมสมภายในให้ได้นะสารณะน ะ, ะนี่แหละจุดตูปปตาตญาณมันก็เกิดอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะทีานอาอพูทองค์ว่าเราทำกรรมอันใดไว้ห น, นึ่งพระสวดจง เป็นบุญหรือเป็นบาป น, นเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นแลนเข้าใจไหมล่ะนี่ทีนี้อันยานตัวที่สามเมรียกว่าอาสาบักขยยนยานสิ้นไปแห่งอาสาบกิเลกิเลศมันเกิดจากไหนเกิดจากอายตนะเสนอกายในกระทอกกันเข้าใจไหมล่ะ อ้แต่น่ะคือที่ตวเกิดของกิเลสมันก็ทบกันแล้วก็บองส่งใบบวกใจใจก็เป็นอภิชาใจง้อยู่ตาหดเลยหลงหลงมาใจมีจริงๆหลงมาเราเป็นใจใจเป็นเราใช่ไหมละ่ะที่จริงใจไม่ใช่เหรอบุคคลตัวเราเขานั่นเนี่ยเรายังว่าถือว่าใจเป็นเราอยู่พอตาเห็นรูปมันก็ส่ง เข้าไปบอกใจใจก็เลยเสวยอารมณ์ถ้ารูปสวยก็ลาภานิสัเรียกว่ากามาสวะเกิดเขาจะมีรูปเสียงกลิ่นรสที่ยินดีพอใจก็เรียกว่ากามาสวะถ้ารูปเสียงกลิ่นรสอดทพัทที่ไม่ยินดีพอใจก็เรียกว่า ทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดอะไรตามนอนพี่นะี่ปฏิคานุสัยตามนอน <c oughs> คือเรียกว่าปฏิคานุสัยก็เรียกว่าอะไรภวาสวะกามาสวะภาวาสวะถ้าเราหลงหัดใจเป็นสายบุคคลตัตตลวตนเราเขาก็อวิชานุสัยตามนอน ไมตัวก no ูตัวเราก็อ really ย well. ู่ในนี่แหละเน่ยมึงมากกูหรือกูอยู่นี่เียอวิชานิสัยตามนอนถ้าตามนอนอยู่ในสันดานสันดานมันเพะปุดออกได้อยู่แต่สันานมันติดไปจนตายเน่ะติดอยู่ในสันดานถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราไม่มีเราอยู่ในนี้หรอว ยงแต่อารมณ์ให้นเคยเราก็ดับได้ไม่มีสัตว์มุคคลอยู่ในนี้อวิชสาก็ดับลงนะเมื่าออวิชสารดับความโลภ ก, ก็เกิดไม่ได้ความโกรธก็เกิดไม่ได้มันโลภได้ก็เพราะว่าหลงว่าเรามีหลงว่าใจเป็นเราหลงว่าขันธ์หาเป็นเราทั้งั้ อานิขันหาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตวนของเขาว่างจากสัตบุคคลตัวตวนขอเขาขันหามันจะทํา ง, งานเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัทตาเนตะัทตาเช่นนั้นเองไม่มีตัวไม่มีตนสัตบุคคลเขาทํา ง, งานอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นนั้นเองมันก็ไม่มีใครไปถือเอา ศูนย์ลบศูนย์แล้วศูนย์ว่างเงี่ยศูนย์ยัตาว่างจากเกิดจากดับว่างจากความเกิดความตายว่างจากชาติชะลามรแล้ะเรียกว่านิพพานังปลมังศูนย์ยังศูนย์แววว่างว่างจากเกิดจากตายว่างจากชะลามรแล้ะว่างจาก สัตวบุคคลตัวตนเราเขาเขาเรียกว่าศูนย์ยันเขาใช่ไหม่ะแต่นิพานังก็ปรมังสุ ข, ขังพอมันว่างจากพวกนีก้จิตของเราเขาเป็นสุ ข, ขังได้อารมณ์ไหนไหลเข้ามาจิต ก, ก็ว่างฟังใสเป็นต้นเป็นพุทโธธรรมโมอยู่เหมือนเดิมเป็นอารมณ์มิมุติสุเขาเรียกว่าพาระนิพานสุ ข, ขังอยู่ตน่อด จิตไม่ไม่เบกเอาโลกเบีเอาเอารมณ์จิตไม่ให้ให้อารมณ์มาผสมได้เพราะสติปัญญาเรารปุดสลาไว้ดีแล้วสร้างไว้ดีแล้วเข้าใจไหมล่ะท่านนั้นเงือก ะ, อะเวลาพูดก็จิตแล้วก็ตามไปตามไปไม่ใช่ฟังอย่างเเฉยๆเอาหูไปงาอาตาไปไล่ ไม่เกิดประโยชน์ต้ตามไปลูกตาพูดอย่างนี้อย่นี้อย่างนี้มันตามดูมันจะใช่ไหมมันจริงไห ม, มก็เพียร์นาลองดูไปด้วยจพืจะเกิดประโยชน์อ่าเอาละวันนี้เนาะพอแล้วละพาเล้อ